สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่กรบพบกับชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนธธรรมเนียมอินดีชเช่นเคยนะคะเช้ามืดของทุกๆวันเสาร์ค่ะเราพบกันตั้งแต่เวลาประมาณตีสครึ่งถึงตีหนะคะทาง FM 89.5 สสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้ค่ะบรรยากาศตอนนี้เด็กๆบางโรงเรียนก็เริ่มเปิดเทอมกันแล้วแต่หลายๆคนก็ยังมีโอกาสปิดอีกสัก สัปดาห์นึงนะคะแล้วเราก็จะไปมีวันหยุดพิเศษในกรุงเทพหมหานครแล้วก็นนทบุรีที่วันที่ 4, 5พฤศจิกายนหยุดยาวกันอีกช่วงหนึง่งหลายๆคนก็วางแผนแล้วค่ะจะไปโน่นนี่นั่นก่อนที่จะถึงวันเพ็ญเดือน12นะคะเรามีประเพณีการทอดกะถินประจำปี ซึ่งตอนนี้เรนเชื่อว่าหลายคนก็ได้บุญกระถินไปเยอะแล้วนะคะทั้งกระถินสามัคคีกระถินครอบครัวกระถินอื่นๆที่มีผู้คนบอกบุญมานะคะเรนเชื่อว่าหลายคนตั้งอกตั้งใจบางคนถือเคล็ดชนิดที่ว่าปีนี้ฉันจะทอดให้ได้เก้าวัดเน่บางคนก็จะมีความตั้งอกตั้งใจที่แตกต่างกันออกไปทั้งหมดขึ้นอยู่กับ ความพร้อมของแต่ละคนนะคะอย่าไปยึดติดกับจํานวนตัวเลขว่าถ้าฉันเป็นประธานต้องเท่านี้รองประธานต้องเท่านี้กรรมการต้องเท่านี้ถ้าว่ากันตามความเป็นจริงแล้วไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ไหนยึดขนาดนั้นนะคะเพียงแต่เป็นขนบซึ่งไม่ใช่ธรรมเนียม เอพูดยังไงคุณพนอก็คือเป็นเหมือนค่าที่ยมมอะคะ่ะว่าเออถ้าทำหน้าที่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นน่าจะสักประมาณเท่านี้แต่ถ้าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเหมือนดิฉันเนีย่ยเราอาจจะไม่มีตัวเลขมากพอๆกับคนที่เขามีโอกาสทําบุญด้วยเงินเยอะๆเราตั้งจิตอธิษฐานทาบุญตามที่เรามีตาม อัตภาพเราก็จะได้บุญกุศลอิ่มบุญอิ่มกุศลเหมือนที่เราตั้งเจตนาไว้ทุกประการนะคะแต่ถ้าเรามีน้อยแล้วเราไปฝืนทำเยอะมันอาจจะเกิดความทุกข์ซึ่งเป็นบาปในใจเราได้ค่ะดังนั้นการทอดกะถินการทำผ้าป่านะคะก็ทำตามกำลังศรัทธาเพราะพระท่านคงไม่ได้เรียกร้องกับญาติโยม แต่ถ้าวัดไหนเรียกร้องนี่แหละค่ะอาจจะมีเครื่องหมายปรัสณีนิดหน่อยนะคะมันจะมีกรณีที่วัดเจ้าอาวาสวัดหรือพระลูกวัดไปพบปะญาติโยมที่อาจจะมีกำลังเงินกำลังทรัพย์มากพอที่ท่านจะไปบอกบุญเป็นพิเศษได้อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งโปรดอย่านำมาคู่กันนะคะ บุญของเราจะได้ถึงพร้อมด้วยบุญกิยาวัตถุที่เราตั้งใจดีค่ะแล้วก็เดินทางปลอดภัยกันทุกๆคนนะคะสำรวจยานพาหนะที่จะเดินทางแล้วก็เมาไม่ขับที่สำคัญก็คือถ้าไม่ดื่มเลยเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดหน้านี้เนี่ยไขวัดระบาดไปทั่วเลยนะคะท่นเองก็สามสัปดาห์เต็มๆที่เสียงคอกแครกไม่แจ่มใส ต้องขออภัยคุณผู้ฟังมานะที่นี้ด้วยนะคะสัปดาห์นี้ก็ดูเหมือนจะสั่งไข้แล้วค่ะแต่ก็ยังเรียนให้คุณฟังทราบได้เลยนะคะว่าโอ้โหช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแค่ไอนิดเดียวก็ปวดศีรษะจี๊บไปหาหมอสองสาครั้งนะคะก็ยังเอาไม่ค่อยจะอยู่การพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญมากๆดิฉันนะ่ะทำผิดกับตัวเองแล้วก็จะเรียนเป็นเรียนกับคุณหวังว่าไม่ได้พักค่ะ ไห้หวัดมันเลยโจมตีทีฉันได้ยาวเกือบเดือนนะคะก็ขอให้ทุกท่านไม่ป่วยนะคะไม่เจ็บนะคะแล้วก็ไม่จนมีความสุขและปลอดภัยค่ะเช้ามืดวันนี้ดีฉันอยู่กับคุณบิ๊กนะคะควบคุมเสียงแล้วก็หาเพลงเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันคุณผู้ฟังคะเออฉันอยากจะเริ่มต้นด้วยบทกลอนดอกสร้อยของคุณสัจภูมิละอ เราเคยรู้จักต้นบอระเพ็ดเด็กๆสมัยก่อนนะนะคะถ้าพูดถึงบอระเพ็ดเนี่ยจะ โ, โหทำหน้าเยกเกวิ่งหนีจู๊ดเลยโดยเฉพาะถ้าไปโรงเรียนแล้วทำผิดกฎของโรงเรียนคุณครูก็จะให้เขี้ยวบอระเพ็ดเป็นการลงโทษคุณระวังสมัยนี้คงบอกอุ้ยคุณมาน่ดเฉย ค่ะอันนี้เล่าความหลังเล่าความหลังว่าบทลงโทษของครูสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เตะตียอย่างเดียวนะคะเขาก็ไม่ได้ดุด่าว่ากล่าวอย่างเดียวแต่เขาจะเอาสมุนไพรมาให้ลูกหลานด้านอมค่ะเจ้บาบารเพ็ดเนี่ยโอ้โหมันขมสุดยอดแต่คุณแหวงทราบไ้ยคะมันก็เป็นอาหารแช่อิ่มที่รับประทานกรอบอร่อยได้อย่างไม่น่าเชื่อเทนเคยได้กินบรารเพ็ดแช่อิ่มค่ะโ้โหมันใสแจ๋ว สวยแล้วก็กรอบหวานเล็กน้อยนะคะถามว่ามันอร่อยจัดไหมมันไม่ได้อร่อยจัดแต่มันเป็นความน่าทึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่เขาสามารถทำพืชที่ขมปีอะ่ะให้กลายเป็นขมน้อยที่สุดแล้วเอามาเป็นอาหารหวานได้เหมือนกับพวกมระถ้ามะเขือเทศนี่ไม่ต้องพูดนะคะแค่ทับเอาน้ำออกก็แช่อิ่มได้แล้วนะคะแต่บรเพชเอ่ย ơi, มระเอ่ยในโอโหขมมากแต่เขาสามารถทำให้เรากินอร่อยได้เนี่ยภูมิปัญญาทแท้แต่ถ้าจะถามว่าคุณมานอทำยังไงดิฉันํำไม่เป็นค่ะท่านค ง, งต้องไปเซิร์ชเน็ตหาวิธีทำเอานะคะแต่บรพเพรที่อยู่ตรงหน้าดิฉันเนี่ยเป็นกลอนดอกสร้อยของคุณสัจภูมิละอ่อนะคะซึ่งอยู่ในหนังสือของดอกสร้อยร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทยนะคะที่เขาเขียนเพื่อโรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศค่ะในบทที่เขียนถึงบรเพชรนะคะซึ่งข้อมูลทั่วไปเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นไม้เท้าลำต้นมีปุ่ม ป, ม, ปมเป็นใบเดียวเรียงสลับดอกออกสีเหลืองๆนะคะอมเขียวแล้วก็ทุกส่วนของบรเพชรมีรสขมหมดเลยแต่ว่ามันยังมีชื่ออื่นๆตาม ท้องถิ่นด้วยนะคะถ้าชื่อภาคกลางก็บรเพชรเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีมันเป็นยาอายุวัฒนะของทุกคนเลยนะคะทุกชนชั้นด้วยโอ้ฟังสรรพคุณนะคะช่วยเจริญอาหารขมเนี่ยนะ <c oughs> บำรุงไฟธาตุใช้แก้ไข้ทุกชนิดแก้ร้อนในช่วยลดน้ำตาลในเลือดด้วยแล้วก็แก้เจ็บหลังเจ็บเอวด้วย ที่ฉันขึ้นต้นด้วยไข้หวัดนั่นแหละค่ะก็จะมาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นไข้หวัดอย่างนี้นะคะปู่ย่าตายายเขาก็จะไปเอาบอระเพ็ดนี่แหละค่ะมาเจือนชิ้นเล็กๆให้หมั่นกันหน้าเหยกเก์กันไปตามๆกันนะคะแต่กลัวไม้เรียวตามมาค่ะต้องทนกินคุณสัจภูมละออ ก, ก็แต่งเป็นบท ด, ดอกสร้อยร้อยสมุนไพรไว่น่ารักมากเลยนะคะบอเอย๋ยบอระเพ็ดรสชวนเข็ดขยาดชาต พืชขมโบราณใช้ทาถันวันยานมรสเด็กตรมไม่แตะแวะดื่มกินดอกเหลืองหม่นปนเขียวเถาเกี่ยวเกาะแก้ไข้เหมาะร้อนในก็หายสิน้นต้มน้ำดื่มของเด็ดเคล็ดชีวินเสียงยนยินว่าอายุ อยู่ยืนเอ่ยก็คือเป็นญาอายุวัฒนะเลี้นจะย้ำตรงนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของภูมิปัญญาที่ประโยคว่าโบราณใช้ทาถันวันยานมรสเด็กตรมไม่แตะแวะดื่มกินเด็กทุกคนสมัยก่อนก็จะดื่มนมแม่แต่เมื่อ ถึงระยะหนึ่งที่แม่จะให้ลูกหย่านมไปกินข้าวปลาอาหารกล้วยบดหรือ อื่นๆเนี่ยเขาก็จะให้ลูกกินนมน้อยลงแต่ลูกอะ่ะมีความสุขกับอ้อมอกของแม่คุณผู้ฟังนึกถึงนะคะได้ดื่มนมจากเต้าได้อยู่ในอ้อมกอดอุ่นๆเด็กบางคนนะ่ะเอามือคลึงเข้ารูปไปตามตัวเนื้อของแม่แม้กระทั่งถันของแม่เด็กๆจะมีความสุขมากดูดไปก็หลับตาพริ้มไปบางทีอิ่มแล้วก็ยังแลบลิ้น อมหัวนมแม่อยู่นี่คือภาพที่มันเป็นความสุขระหว่างแม่กับลูกที่เขามีเวลาให้กันแต่แม่ลูกบางคู่อะค่ะเช้ามืดแม่ก็ต้องออกเรียกสวนไรนาหรือไปค้าขายต้องทำมาหากินทำกับข้าวนู่นนี่นั่นไม่มีเวลาจะมาประครบประงม ท, งทั้งทั้งที่ใจเนะี่ยอยากให้นมลูกแทบขาดนะคะก็ต้อง หาวิธีให้ลูกไม่อยากกินนมดังนั้นก็ไปปอกเจ้าบราเพชนี่แหละค่ะมาทาหัวนมตัวเองพอเด็กดูดปุ๊บขมปั๊บก็ไม่กินแล้วร้องแง่แงแงแล้วก็หิวเมื่อหิวปุ๊บก็เอาข้าวบี้ใส่ใส่ใส่ผักหรือกล้วยขูดบดใส่ผัก หรือดิฉันเห็นบางบ้านตอนดิฉันเป็นเด็กๆนะคะเขาเอาข้าวบดนี่แหละคะ่ะแล้วก็ผสมหัวกะทินิดนึงเพื่อให้มันมีรสหวานๆแล้วก็อาจจะแตะเกลือ น, นิดหน่อยเด็กก็จะกินป้วนเลยนะคะกินอย่างมีความสุขอริดอร่อยแทนที่จะได้น้ำนํำนมแม่อย่างเดียวก็เริ่มโตแล้วก็จะไปได้สารอาหารจากอาหารทั่วๆไปเริ่มได้รู้จักการเคี้ยวอาหารนะคะพอมาสมัยปัจจุบันคุณหมอก็จะมี สูตรอาหารแต่ละวัยนะคะเติมผักเติมปลาเติมเนื้อสัตว์บทนั่นนีนูนเด็กๆก็อร่อยอร่อยแล้วก็ได้สารอาหารครบมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆคุณหมอก็จะแนะนำให้ดื่มนมแม่อย่างเดียวนะคะไม่ดื่มอย่างอื่นเลยนะคะไม่รับประทานอาหารอย่างอื่นดังนั้น ก็ต้องใช้เทคนิคเหล่านี้แหละค่ะที่จะทำให้เด็กๆหย่านมนะคะเ อ, อน่าสงสารเด็กนะคะคุณผู้ฟังแต่ความจำเป็นของแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ท่านนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าคุณแม่ยุคปัจจุบันจะให้ลูกหย่านมจะเอาบรารเพชรมาทาหัวนมก็ไม่ได้ทรามารลูกจนเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าคุณพร้อม คุณให้นมลูกไปจนกระทั่งไม่มีสารอาหารลูกก็จะได้รับประโยชน์จากน้ำนมของคุณเต็มที่เลยล่ละค่ะเอาละค่ะเราเรื่องแรกกันไปแล้วนะคะช่วงต่อไปมีทั้งเรื่องที่ฝากระวังภัยใกล้ตัวแล้วก็เรื่องที่เป็นชีวิตวัฒนธรรมแต่ดั้งเดิมของเรามาฝากนะคะ รายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดยทิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่กว่า20ไร่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีจังหวัดปทุมธานีรวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์สอบถามรายละเอียดโทร 02-549-3043 รับคขณะนี้ทุกท่านกำลังฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมทาง FM 89.5 สถานีวิทยุ ม, มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีดิฉันพนธรรมเนียบินดำเนินรายการค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึงตีหนะคะมีความสุขกับการเดินทางและชีวิตประจำวันกันทุกๆ ท, ท่านเลยนะคะคุณพนทาเดินถือหนังสือที่เป็นความรู้ อยู่ข้างในแต่เป็นหนังสือวารสารสหรกรณ์อมรัพ์ครูกรมสำนักศึกษาจำกัดปีที่สิบเก้าฉบับที่สองเดือนกันยายน2 5 6พันห้าอหกสิบสองค่ะมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะที่แหมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่รู้นะแต่ก็ยังทำให้หลายคนเนี่ยเดือดร้อนขอนำมา เล่าให้ฟังกันนะคะว่าบางทีเนี่ยถ้าไม่อยากทำให้ตนเองและครอบครัเดือดร้อนก็ต้องเก็บความเกรงใจตามวิสัยคนไทยกันไว้สักครึ่งๆรึ่งนะคะแล้วก็ประมาณสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ให้ได้ก่อนว่าเอ๊ะเราควรทำแค่ไหนเป็นเรื่องกฎหมายน่ารู้ค่ะเขาตั้งชื่อเรื่องว่ารู้ก่อนเซ็นค้ำประกันใช่นี่ จนหมดตัวน่ากลัวไหมคะและ้วดิฉันก็เคยเห็นนะคะเออไปเซ็นค้ำประกันให้นี่แหละเจ้าตัวก็ยังอยู่คะ่ะแต่ไม่ใช้เงินไม่ใช่นี่คนค้ำประกันก็ต้องใช้นี้แทนแล้วเขาก็น่าชื่นตาบานอยู่อย่างนั้นคนค้ำประกันก็ทุกข์กระทมตรมไห่ไปนะคะดังนั้นก็ อาจจะแม่ไม่ไม่ถึงกจะเอามาพราวห้าวมาขายสวนนะคะแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยค้าประกันใครเชิญฟังทางนี้ค่ะการค้าประกันก็คือการที่เรายอมรับเป็นผู้รับผิดชอบการชําระหนี้แทนหากลูกหนี้ไม่ยอมชําระหนี้ก่อนเซ็นค้าประกันท่านควรดูความสามารถในการชําระหนี้ของบุคคลที่เราค้าประกันด้วยว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีปัญหาด้านการเงินแล้วก็เป็นผู้ที่มีวินัยทางการเงินนะคะ แล้วก็กู้เงินเมื่อมีความจำเป็นต้องการใช้เงินจริ ง, รงๆไม่ใช่กู้ตามสิทธิ์สหกรณ์ก็จะให้สมาชิกหนึ่งคนค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนสมาชิกได้อันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละสหกรณ์นะคะก็ต้องไปศึกษากันด้วยเมื่อค้ำประกันแล้วผู้กู้คืนทิน ถ้าไม่ชําระหนี้ให้หมดก่อนย้ายผู้ค้าประกันต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามเรื่องการชําระหนี้ของผู้กู้ให้ดีนะคะเพราะถ้าผู้กู้ไม่ชําระหนี้จะส่งผลกระทบกับผู้ค้าประกันทันทีเลยละค่ะแล้วอันนี้ดิฉันเคยเห็นคนที่เขาเดือดร้อนแบบนี้มาแล้วนะคะค้าไม่เพื่อนเพื่อนย้ายกลับบ้านเพราะว่าเป็นข้าราชการถึงเวลาย้ายกลับบ้านไปแต่ไม่ได้ชําระหนี้จนจบคน คำทางนี้เดือดร้อนค่ะต้องตามกันจ้าระหวันก็มีนอกจากนั้นก็ต้องดูว่าผู้กู้มีหลักประกันที่มีความมั่นคงพอไหมสําหรับการกู้เงินของสมาชิกอย่างเช่นเงินออมหรือหุ้นเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์การที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยในการชําระหนี้ของผู้กู้ก็จะเป็นความอุ่นใจของผู้คําประกรันเป็นความมั่นคงของสหกรณ์ด้วยถ้าผู้กู้หนีหนี้น ผู้ค้ำประกันจะมีความรู้สึกอย่างไรผู้กู้เคยนึกถึงไหมว่าการที่นี่ของตนเองทำให้คนอื่นเดือดร้อนคุณหนีนี่ไปปล่อยให้เป็นภาระของผู้ค้ำประกันผู้กู้จะรู้สึกแค่เสียเพื่อนผู้ค้ำประกันเสียความรู้สึกดีๆแล้วก็มีความทุกข์ที่ต้องมารับผิดชอบทำให้ตนเองเนี่ยเกิดปัญหากับครอบครัวได้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าจะค้าประกันให้ใครสักคนต้องดู รายละเอียดคร่าวๆที่สหกรณ์อมทรัพ์ครูได้เขียนเอาไว้ให้เป็นบทเรียนนะคะซึ่งเราก็เกรงใจกันได้นะคะบางทีเนี่ยเขาก็จะมีสูตรว่าอ่ะงั้นจับคู่กันค้ำประกันคํำได้กี่คนก็จับกันไปเลยสามคนสี่คนแล้วก็ผัดกันค้ำนั่นหมายความว่าทุกคนจะต้องกู้เหมือนๆกันใช่ไหมบางคนเนี่ยคิดถึงขนาดว่าถ้าฉันคําให้เธอ เธอก็ต้องทําให้ฉันถ้าเธอหนีฉันก็หนีมันไม่ได้หรอกค่ะมันเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดดังนั้นนะคะก็ทําตามคําแนะนําของสหกรณ์ถ้าไม่เข้าใจถามเจ้าหน้าที่สหกรณ์นะคะเพราะดิฉันเชื่อว่าทุกๆท่านเนี่ยอาจจะมีสหกรณ์อมทรัพย์ที่ใกล้ตัวอาจจะอยู่ในชุมชนหมู่บ้านหรือที่ทํางานนะคะมันจะมีระเบียบต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เข้าใจเห็นใจ เอื้อเฟือคนอื่นได้แต่ต้องป้องกันตนเองไม่ให้เดือดร้อนด้วยนะคะนี่คืออีกช่วงหนึ่งของความหวงใยญจากชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนธดทำเนีอินดำเนินรายการค่ะและช่วงนี้เราก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องของเก่าๆของเราบ้างนะคะเออดิฉันได้อ่านหนังสือของกรุมศิลปกรนะคะเขาเขียนถึง บทกลอนบทหนึ่งนะคะว่าเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉัไหนเจ้ามาเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาบทกลอนบทนี้เข้าใจกันว่าเป็นผลงานประพันธ์ของท่านพุทธทาสิกขุ คงจะเป็นที่คุ้นหูกันนะคะเป็นบทกลอนสนใจให้เรารู้จักพอเพียงไม่โลภรู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูนะคะแล้วก็มีบ้างบางท่านบางครั้งบางคราวที่แม้จะเข้าใจและได้พยายามทำใจดังนั้นก็อาจจะนึก กังขาไม่ได้นะคะอาจจะอดนึกกังขาไม่ได้ว่าเอหอหนอทําไมเราช่างไม่เท่าเทียมกับคนอื่นเลยทําไมเราช่างอาพับอาาัพวาสนาทําไมเราไม่มีอย่างที่เขามีทําไมคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้น จ, จ, จุดจุดอีกหลายคําถามเลยถ้าหากว่ากันตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาก็คงจะต้องตอบกันว่าเหตุทั้งนี้เป็นด้วยผลของกรรม คือการกระทำใครทำอย่างไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นหากไม่เคยทำบุญทำกุศลสิ่งดีงามจะมาหวังผลเลิศได้อย่างไรจริงไหมคะและถ้าจะาพูดถึงการได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์นั้นบางท่านก็ถือว่าเป็นบุญบางท่านก็ถือว่าเป็นกรรมเห็นได้ชัดก็คือเมื่อตอนตายนั้นจะมีคำว่าสิ้นบุญก็มีสิ้นกรรมก็มีบางก็บอกว่าหมดบุญ แต่บ้างก็บอกว่าหมดเวรหมดกรรมเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะดังนั้นความเข้าใจก็คงจะถือเอาชีวิตของผู้ตายเป็นเกณฑ์มากกว่าก็คือถ้ามีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็บอกว่าสิ้นบุญถ้ามีความทุกข์มากกว่าความสุขก็บอกว่าสิ้นกรรมแต่ถึงกระนั้นนะคะจะมีทุกข์มากกว่าหรือว่าสุขมากกว่าแต่คนส่วนใหญ่นะ่ะก็จะ รักชีวิตตนแล้วก็ไขว่คว้าหาความสุขความสำเร็จให้กับชีวิตตนเองเหมือนเหมือนกันนะคะดังนั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะ mm. เขาบอกว่ามันยากจริงๆกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะคะ mm. ก็เป็นความเชื่อของคนไทยเราค่ะว่าการที่คนเราจะมีชีวิตเกิดขึ้นเป็นกายร่างกายครบสามสิบสองประการนั้น ก็ด้วยพระคุณของพ่อแม่โดยได้แบ่งแยกเอาไว้ว่ากายเราเกิดจากพระคุณพ่อยีสบอ็ดพระคุณแม่สิบสองหมายถึงพ่อให้อวัยวะยีสอ็ดส่วนแม่ให้อวัยวะสิบสองส่วนอวัยวะที่พ่อให้นั้นได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตพังผืด ตอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อมันสมองและชีวิตอวัยวะส่วนที่แม่ให้เราสิบสองส่วนได้แก่ดีสเสลดน้ำเหลืองเลือดเหงือมันข้นมันเหลวน้ำตาน้ำลายน้ำมูกไขข้อและมูดตามคติความเชื่อนี้นะคะ ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรจะถนอมรักษาไว้แล้วก็น่าคิดว่าคนบางคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยเหตุผลของการพลาดหวังอกหักหรือเหตุผลอื่นใดก็ตามนั้นสมควรแล้วหรือไม่กับการได้ถือกำเนิดจากพระคุณทั้ง32สองของพ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นพระคุณอันลึ ก, กล้ำยากทดแทนได้หมดสิน้น เอาง่า ย, ายหากเมื่อพ่อแม่แก่เทาลงฟันฟางหลุดร่วงไปเราในฐานะบุตรกระตันยูจะถอนฟันไปใส่แทนให้ก็ไม่ได้คลั้นพ่อแม่ผมหงอกขาวหรือหลุดร่วงจนศีสษะล้านดวงต า, าฟ้าฟางด้วยไวเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนอวัยวะต่างๆนั้นให้ท่านได้ไม่สามารถทดแทนประสาทการมองเห็นการได้ยิน หรืออวัยวะใดๆไ ด, ได้แม้ปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนถ่ายกันได้หลายส่วนแล้วก็ตามนะคะดังนั้นจะว่าไปแล้วร่างกายของบิดามารดาจะสามารถรับอวัยวะของลูกทุกคนได้เสียเมื่อไหร่แต่เมื่อคนมีร่างกายครบ32ประการนะคะด้วยเหตุผลข้างต้นขณนะเดียวกันหลายชีวิตก็เกิดมาพิการไม่ครบ สมบูรณ์ทั้งสามสิบสองเรื่องความสุขความทุกข์ก็เช่นเดียวกันมนุษย์เรานะคะก็มีสุขบ้างทุกบ้างมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็อยากให้ทุกๆท่ททานนะคะมีกำลังใจว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนนะคะไม่มีใครทุกตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครสุขตลอดเวลาดังนั้นในขณะที่เรายังคงมีชีวิตอยู่นะคะเราก็คง ควรทำสิ่งที่เป็นความดีงามแล้วก็เป็นความสุขให้ตนเองโดยที่ตนเองไม่เดือดร้อนคนรอบกลยไม่เดือดร้อนและสังคมไม่เดือดร้อนด้วยเช่นกันค่ะอันนี้เด น, นก็อ่านบางส่วนจากหนังสือหมื่ร้อพันภาษาลของกรมศิลปากรนะคะ อีกช่วงหนึ่งคุณฝู้ฟังที่เคารบคะอันนี้เป็นเรื่องเตือนภัยสดสดร้อนร้อนเลยนะคะเดนได้ฟังได้ยินได้พบได้เห็นเรื่องราวที่โอ้หลายท่านอาจจะบอกคุณพน้องเขาเจอกันมาเยอะแล้วแต่เดนเพิ่งจะได้ได้ฟังไดเ้เห็นเหตุการณ์นี้ใกล้ตัวมากจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาทำกันขนาดแล้วนี้เหรอ ยังเคยเตือนภัยในการจัดรายการหลายครั้งถึงแก๊งอลเซ็นเตอร์ที่โทรมาหลอกลวงให้ไปโอนเงินผ่านธนาคารน่นนี่นั่นโดยอ้างว่าแม้มีพัสดุค้างไว้มีเป็นนี่อะไรก็สารพัดนะคะหรือว่าเนี่ยถ้าโอนมาเท่านี้จะจ่ายให้เท่านั้นโอ้โหมีสารพัดจะหลอกลวงนะคะแต่ตอนนี้มันมีแก๊งทุรชนคนชั่วก็แล้วกันเนาะคนเลวก็ได้ค่ะ ที่หลอกแม้กระทั่งการโอนเงินเข้าโทรศัพท์หมายเลขอ่ะค่ะคุณผู้ฟังโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่นี่แหละสิ่งที่ทันได้ฟังได้พบได้เห็นใกล้ตัวมาเมื่อสักวันพฤหัสบดีนี้เองนะคะเหตุการณ์เนี่ยก็ทราบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งทำเสียงเหมือนคนเป็นไข้หวัดใหญ่ ปางตายต้องใช้คำนี้นะคะเพราะว่าเสียงที่คนเล่าเขาบอกเนี่ยทำเหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่จนกระทั่งไม่มีแรงแล้วก็ป่วยออกไปโอนเขาเรียกออกไปเติมเงินโทรศัพท์ไม่ได้โทรไปหายาิญาติก็บังเอิญเคราะห์ร้ายค่ะมี ญาติที่ป่วยเป็นไข้หวัดอยู่พอดีพอดีแต่อยู่กันคนละบ้านเพราะฉะนั้นพอมีโทรศัพท์เบอร์แปลกๆเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่สบายอยู่บ้านเป็นไข้หวัดไปหมอหมอฉีดจาออกไปเติมเงินไม่ได้เติมเงิน ห, หน่อยพอตกหลุมโดนมันซ้อมค้างก็เอ๊เสียงผู้ชาย ใกล้ญาติตัวเองก็หลุดถามชื่อไปมันรีบรับสมอ้างเลยค่ะว่าใช่ฝ่ายญาติเนี่ยก็ห่วงใหญ่ว่าโอ๊ยตายแล้วญาติตัวเองเจ็บป่วยขนาดนี้จะไปดูแลกันตอนนั้นก็ไม่ได้ก็ไปโอนเงินให้ดีนะคะมันขอมาห้าร้อยโอนไปแค่สี่ร้อยแต่เฉลียวใจพอโอนเงินปุ๊บก็ถามเอา้าทำไมใช้เบอร์นี้เบอร์โทใหม่แหมมันเล่นละครเก่งค่ะ พอโอนไปให้เสร็จแต่โอนไม่ครบก็โทรไปเบอร์เดิมปรากฏว่าผู้ที่ถูกซ้อมค้างถูกเอาชื่อไปแอบอ้างเนี่ยยังขับรถอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็บอกไม่ได้โทรหาใครเลยโทรศัพท์ผมก็ยังใช้อยู่สองเบอร์และผมใช้เบอร์ที่เป็นการเสียรายเดือนไม่ต้องเติมเงินคุณผู้ฟังคะมันเอากันขนาดนี้แล้วนะคะคนเราเดี๋ยวนี้ 4ี่ร้อยห้าร้อยสองรอยสามร้อยก็เอาก็เรื่องนี้ก็ถึง DSI ถึงค่ายโทรศัพท์ที่พวกคนร้ายแอ บ, บอ้างมาเรียบร้อยแล้วทุกฝ่ายก็รีบประสานงานแจ้ง DSI ทุกฝ่ายประสานงานแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ให้เช็คเบอร์เช็คผู้ใช้แล้วก็ประสานให้ข้อมูลตำรวจกับฝ่ายกฎหมายของค่ายโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วก็หวังใจว่า ผู้ก่อการอันเห็นแก่ตัวหลอกลวงแล้วก็ทำไม่ดีเป็นภัยสังคมเช่นนี้จะถูกจับมาจัดการติดคุกโดยเร็วคุณหวังอย่าเผลอรับโทรศัพท์กับเบอร์ที่แปลกปลกอย่าเผลอพูดทักเป็นชื่อใครออกไปจนกว่าจะหลอกถามมันกลับไปก่อนใครเอ่ยโทรจากไหนคะ ให้เขาพูดมาแล้วถ้าเขาคิดว่าเรารู้ทันเขาก็จะวางหูจากเราไปเองค่ะแต่ถ้าเกิดเราตกใจจนเอ๊ะใช่หรือเปล่าโอ๊ยญาติเราก็ป่วยนี่เอ๊ะอย่างนี้มันใช่ญาติเราเอ่ยชื่อไปสักชื่อหนึ่งอะค่ะมันตีขุมทันทีเลยเพราะฉะนั้นเจ็บใจนะคะเงินนะอาจจะไม่เท่าไหร่แต่มีความสึกเอ้ยฉันไม่ได้งูนนะแต่ฉันโดนไปแล้วเต็มเต็มคุณกังค์คะมันมาแบบนี้แล้วดังนั้นชีวิตวัฒนธรรม เชาวมืดวันนี้เดือนอาจจะเตือนภัยหนักไปนิดนึงนะคะเรื่องคำประกานแล้วยังมาเรื่องหลอกให้เติมเงินทางโทรศัพท์ซึ่งขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เพิ่งฟังมาเกิดขึ้นมาหมักหมเมื่อวันพฤหัสบดีช่วงแสงสายนี้เองแต่ขอไม่บอกแหล่งข้อมูลที่มาเพราะไม่แน่ใจว่าผู้ร้ายฟัง น, นี้อยู่หรือเปล่าไม่แน่นะคะมันอาจจะหาหนทางที่จะไปหลอกเหยื่อรายอื่นต่อไปอันนี้อาจจะเป็นข้อเตือนภัยส่วนหนึ่งที่นำมาแจ้งกันจะตีห้าแล้วค่ะเชา้านี้ชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนธรทมเนียมอินผู้ ด, ดำเนินรายการคุณบิ๊ก ผู้ควบคุมเสียงและหา เ, ลเพลงข้ะเพราะมาให้เราได้รับฟังกันดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาผู้ควบคุมรายการเราสามคนลาทุกท่านไปก่อนนะคะอากาศเริ่มเปลี่ยนรักษาสุขภาพแล้วก็เดินทางปลอดภัยมีความสุขกันทุกบ้านทุกครอบครัวมีชีวิตวัฒนธรรมที่งดงามไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ